We'll break u when things e n วิท ย, ยาแดนทักษิณทิมดางหวานสถานที่ต่างรูปกระดนรั ง, ก ง, ง, งนกขและสง่าบริหากกรการเกษตรสมานาไอกท่องเที่ยวและสาขาเทคโนโลยีขอยืนยันอย่างย่าง ย, งยงาสง่าเด่นด้วยถือเป็นไม้ประจำ แห่งปัญญาข้ามากมีรักศักดิ์สิราชวงศ์คนศิริไทยเพชรวาววัรประดับแควินแดนตา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะสร้างตนให้เกลี้ยงไยรรกรคือไพศาลเพื่อธงเหืองเมือสวรรค์ตลอดกาลมุ่งประสานมั่นสิทธิ์วิทยาแบบทักษิณ แต่มุงนานาอีกท่องเที่ยวและสาขาเทคโนโลยีขอยืนยัดอย่างยามงาส ง, ง่าเด่นด้วยถือเป็นไม้ประจำ